นะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพาวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพาวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะณโอกาสต่อไปนี้อย่าได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรยายพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายมีความสนใจในการฟังธรรมนอกจากจะสนใจในการฟังแล้วยังสนใจในการทมคือการปฏิบัติ ด, ด้วยเท่าที่สังเกตในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้ฟังและมวยมีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรม เพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีตามสถิติโดยเฉลีย่ยที่วัดป่าสารวันก็มีผู้ไปศึกษาธรรมไม่น้อยกว่าวันละห้าสิบคนแต่ละท่านที่ไปศึกษาก็ยังเป็นพวกประเภทที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวส่วนคนแก่แก่ก็มีบ้างป ล, ปลายไม่ค่อยมากเหมือนหนุ่มหนุ่มสาวสาวและ พวกหนุ่มสาวทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมส่วนมากจะเป็นชนชั้นปัญญาชนและผ่านการศึกษาอย่างน้อยระดับอนุปริญญาตั้งแต่อนุปริญญาจนถึงปริญญาเอกที่ในตาพูดถึงตาแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้นก็ตั้งแต่ระดับสเสมียนจนกระทั่งถึง เราจกการท่านพิเศษเจ้ากรมถึงรัฐมนตรีนี่ก็สอสแสดงว่าธรรมะกำลังฟื้งฟูหรือกำลังถูกเฟิ้นเฟืนฟูขึ้นมาทางนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่าประชาชนพุทธบริษัทมีความเข้าใจของคำว่าธรรมะมีความเข้าใจในคำว่าธรรมะ ใกล่ต่อชีวิตประจำวันมากเข้าทุกทีทุกทีจนรู้สึกว่าเราอาจจะได้คําตอบเมื่อมีผู้ถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือชีวิตประจำวันหรืออีกอย่างหนึ่งธรรมะก็คือการงานการงานก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองคนเราทุกคนเนี่ยเป็นอยู่ด้วยการทำงาน เราจะทํางานทั้งหลับทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเวลาตื่นเราทํางานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่เวลานอนหลับเราทํางานโดยอัตโนมัติจิตของเราก็ยังต้องคิดหัวใจก็ยังเต้นปอดก็ยังสูดลมหายใจอันนี้คือการทํางานเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือการทํางานงานก็คือชีวิต หลาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นคือธรรมและมันเป็นธรรมได้อย่างไรในข้อที่ว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะอะไรในทรรนองนี้ที่เรียกว่าธรรมะก็เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติและเป็นพื้นฐานที่ให้ ที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยมันก็แสดงความจริงให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาการสูดลมออกสูดลมเข้าตราบใจที่เรายังมีการสูดลมออกลมเข้าความจริงมันก็ปรากฏคือเราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุด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 เราควรจะได้ทราบคำว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาล น, นี้ตั้งแต่อโนปรมานูหรือมวลสารที่เกาะคลุมกันเป็นก้อนใหญ่โตจนหาประมาณไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะด้านสภาวะธรรม ธรรมด้านสภาวธรรมนี่เขาย่อมมีปรากฏการแสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถกำหนดรู้ทันหรือเปล่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีปรากฏการเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ทีนี้ภายในตัวของเราเนี่ยเราก็มีกายกับใจ กายกับใจเนี่ยในเมื่อมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดเราก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ตราบนั้นเมื่อมีกายมีเราต้องมีส่วนประกอบคืคอตาหูจมูกเล่นกายลายใจตาหูจมูกเล่นกายลายใจบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอินทรีหกบางทีก็ว่าประตูซึ่งสุดแท้แต่บูหารของพระองค์ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใด สีนี้ถ้ามุ่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรียหกตาหูจมูกเล่นกายไหลใจเขาต่างมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่และอย่างละอย่างจะก้าวกายกันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะก้าวกายหน้าที่ของกันและกันได้ทีนี้ตาหูจมูกเล่นกายใจเขามีหน้าที่เฉพาะตัว ถ้าไอเจ้าหูนี่จะอุตริไปดูแทนตาเชิญเลยไม่มีทางทีนี้ตาจะทำบุตริมาฟังแทนหูก็ไม่มีทางที่จะทำได้เพราะอาศัยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสมมติปัญญัติว่าอันนี้คืออินทรีย์คือความเป็นใหญ่เฉพาะตัวในบางครั้งท่านก็กล่าวว่ามันเป็นประตู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 ถ้าเรากำหนดตัวให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่นี่ผู้รู้ก็เจตใจของเรานั่นเองแหละเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมกายใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกเล่นกายลใจก็เป็นสภาวะธรรม สิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายละใจก็เป็นสภาวะธรรมโดยที่สุดแม้แม้ว่าใจผู้รู้ก็เป็นสภาวะธรรมอีกสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นอยู่นี่เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ นักปฏิบัติธรรมนักศึกษาธรรมเอาใจมาลูกับสิ่งเหล่านี้ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราก็ได้เชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามาตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากจะขอตัดเรื่องราววิธีการปฏิบัติธรรม ซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วเช่นบริกรรมภาวนาบ้างหรือการพิจารณาอะไรซึ่งเกี่ยวกับร่างกายสังขารบ้างซึ่งเป็นส่วนภายในอยา่าแกทตีความหมายแห่งสภ า, า, าวะธรรมให้มันกว้างๆออกไปเพื่อเราจะได้มีทางปฏิบัติธรรมให้กว้างฝังออกไปยิ่งกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา เข้าใจว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตหรือสิ่งใดที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูนกายใจตังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมาฐานได้เอาถ้าอย่างสมมติว่าใครสักท่านหนึ่งอาจจะดอดถามขึ้นมาว่า ถ้าพระเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแพทย์จะเอาวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนากรรมาฐานเนี่ยไม่ต้องเอาพุทโธหรือยุบหน่อพองหน่อจะใช้ได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้ทำไมจึงต้องได้เพราะวิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั่นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายและใจ ในเมื่อความโู้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเต้นกายแต่ใจกายใจเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่กายโล้ใจรู้หรือสัมผัสโลภมันก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมาฐานได้แม้ว่าใครจะเรียนมาในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตาม จะเป็นวิทยาศาสตร์แพทย์ศาสตร์นิติศาสตร์ทรืศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราตกเอาอาวเรานึกวิตกเอาหัวข้อวิชาการที่เราเรียนมานั้นแล้วเอามาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตซึ่งมันเป็นวิชาที่เราเรียนมารู้มาก่อนแล้วมันคล่องตัวง่ายดีเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าวิชาแพทย์คืออะไรและมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไร เวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษาอย่างไรวางแผนไปอย่างไรอะไรนั่ะในทํานองนี้ซึ่งเรายกเป็นหัวตาตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งเจตของเรามันสงบเพราะการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราบริกรรมภาวนาโพธิโทโพธิ์โทโพธิ์โทพธิ์โทก็ความคิดเหมือนกัน ยบหนอพองหนอก็ความคิดเหมือนกันสัมมาอารหังก็ความคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมาเนี่ยเอาวิชาที่เราเรียนมาทุกอย่างมาเป็นความคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องลูกของจิตเครื่องระลึกของสติทําไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานไม่ได้ บางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีคาว่าธรรมะเจือปนอยู่เลยแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อย่างไรในสมัยที่ธรรมะเป็นสามเณรน้อยเรียนเรียนธรรมบทแปลภาษาบาลีไปแปลพบเรื่องหนึ่งว่าช่างไม้นั่งถากไม้อยู่ เอาการถากไม้เป็นอารมณ์กรรมาฐานลงปัญญาลงสู่พระไตรลักษณ์พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาได้สำเร็จพระอาหารหันต์เหมือนกันการถากไม้มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ด้วยไหมมีคนหนึ่งนั่งทอหูกอยู่ก็มาพิจารณาชีวิตของตัวเองเปรียบเทียบกับการทอหู การทองหูนี่มันโหดสั้นเข้าไปเรื่อยชั้นใหลชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วก็ได้ความสลดสังเวชได้สำเร็จพระอรหันต์การทองหูมีคำว่าธรรมะหรือเปล่ามีท่านผู้หนึ่งเดินทางไปเห็นพระยับแดดเตือนเมษามันร้อนมองเห็นพระยับแดดมันเกิดความระยิบระยับขึ้นมาก็ไปปรองปัญญาว่าอ๋อพระยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนาะ ก็ได้ความสังเวชได้สำเร็จพระอาหารหันต์พระยับแดดนีนะ่มีคำว่าธรรมะเจอปจอปนอยู่ด้วยหรือเปล่าที่นำเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยอาตมะภาพอยากจะแก้ไขข้อข้องใจบรรดาสังคมนักศึกษาธรรมะทั้งหลายเช่นอย่างบางทีว่าสมถ า, ากาวิปัสสนา ม, มีในต่างกันอย่างไรเมื่อตะเกีนี่ก็ ได้ยินคำถามคำตอบในเทพคำว่าสมถะวิปัสนามีนาะมีความต่างกันอย่างไรถ้าจะให้คำตอบตรงตามความหมายกันจริงๆสมถะกับวิปัสนาต่างกันแต่พิธีการแต่จุดมุ่งหมายก็คือความสงบ ท่านจะสังเกตดูความข้อแท้จริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ถ้าอยากจะรู้ข้อแท้จริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแบบทิ้งเอาไว้ก่อนการปฏิบัติสมถกรรมาฐานตามความเข้าใจโดยทั่วไปคือบริกรรมภาวนาและการเพ่งกสิณหรือนึกอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องเป็นเป็นเป็น เพียงสิ่งเดียวหรือนึกถึงลมหายใจนึกถึงโครงกระดูกเป็นต้นแล้วเป็นการนึกอยู่เฉพาะจํากัดในวงจํากัดเฉพาะสิ่งสิ่งหนึ่งเช่นอย่างพุโทโธพุทโธพุทโธก็นึกอยู่ที่พุโทโธพุโทพโธอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสมถะแต่ถ้าท่านผู้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากๆวิตกถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่ เสนอแนะไปเมื่อสักครู่นี่เช่นอย่างเรียนวิชาอาวิชชาวิทยาศาสตร์มาก็นึกถึงหัวข้อวิวทยาศาสตร์แล้วก็ตั้งคําถามตัวเองตอบตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรนเมื่อตอบไปได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรต่อไปข้อไหนก็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถามตัวเองตอบตัวเองเรื่อยไปหรือเราจะนึก น้อมเอาร่างกายของเรามาวิตกขึ้นมาว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบด้วยขันห้าลูกเฟทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาใช้ความคิดว่าลูปังลูปไม่เที่ยงอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาเกี่ยวกับเรื่องลูปเฟทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้ว่อยไปการปฏิบัติแบบใช้ความคิดพิพจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะจํากัดความให้มันเข้าใจอย่างชัดเจนก็คือว่าบริกรรมภาวนาคือปฏิบัติแบบสมถะการปฏิบัติด้วยการใช้ปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นอุบายให้จิตสงบเป็นการปฏิบัติแบบวิปัสสนา ทั้งสองอย่างนี่แหละการนึกอยู่สิ่งสิ่งเดียวก็ดีหรือการพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวก็ดีมุ่งสู่จุดแห่งความสงบตั้งมั่นของจิตในแนวแห่งสมาธิเพราะทั้งนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตสงบเหมือนกันไม่เชื่อทดลองดูก็ได้เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างกันเนี่ย แตกต่างกันเฉพาะวิธีการแต่ถ้าจะถามว่าการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาเนี่ยกับการใช้สติ ป, ปัญญาพิจารณาเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วจะมีในแตกต่างกันบ้างไหมอันนี้มีข้อแตกต่างกันยู่บ้างการบริกรรมภาวนาบางทีจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นเิ่งติดแงก่อยู่ที่สมถะกรร ม, ฐ า, มาฐาน ที่ท่านว่าบริกรรมภาวนานี่ได้แค่สมถะกรรมฐานถูกต้องตามที่ท่านว่าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้สติปัญญาเริ่มต้นพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไม่ต้องบริกรรมภาวนาเมื่อใจสงบลงทําให้เกิดมีปิ ต, ติมีความสุขแล้วก็มีสมาธิอย่างเดียวกันกับบริกรรมภาวนา ผู้ที่ใช้ความคิดนั้นในเมื่อในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะเดินวิปัสสนาได้เร็วกว่าผู้ที่บริกรรมภาวนาเราจ ะ, ะนั้นทั้งสองอย่างนี้อย่าข้องใจใครจะบริกรรมภาวนาก็ได้จะใช้สติปัญญาพิจารณาก็ได้แต่ว่าขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ ออกจะเป็นเรื่องนอกตำราไปสักหน่อยหนึ่งการทำสมาธิการปฏิบัติสมาธิต้องพยายามให้สัมพันธ์กับงานหรือชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าท่านขับรถท่านภาวนาพุทโธ ในขณะที่ขับรถภาวนาพุโทโธถ้าต่างว่าจิตสงบลงไปแล้วมันไปอยู่กับพุโทโธไม่สนใจกับการขับรถถ้าลองหลับตานึกดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องขับรถไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าร้ายไปหน่อยถ้ารถสวนมากๆบางทีอาจชนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ลองติจรณดาดู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 เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กล่าวแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติการปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เราทำสติรู้อย่างเดียวขอบอกว่าไม่มีพิธีรีตรองอะไรทำสติรู้อย่างเดียวเรื่องพิธีรีตรองนั่นตัดออกไว้ซะก่อน ถ้าเราจะทำให้เป็นพิธีนั่นเอาไว้ทำตอนเช้าตอนเย็นที่เรามีไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแต่ถ้าเราจะทำในขณะนี้ขณะนี้ท่านฟังเทศท่านอาจจะทำสติกับการฟังเทศเอาเสียงเป็นเครื่องลู้ของจิตเครื่องระลึกของสติถ้าท่านก็ต้องฟังอยู่แม้ว่าท่านจะจำคำพูดไม่ได้ทุกคา ท่านอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเสียงนี่มันก็มีสูงสู ง, สงต่ำต่ำมีหนักมีเบาแล้วก็มีสั้นมียาวประเดี๋ยวท่านก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาด้วยการกำหนดรู้ปัจจุบันหรือแม้โดยที่สุดท่านอาจจะกำหนดรู้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่านท่านนั่งนานๆแล้วมันปวดหลังนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยนั่งนานๆแล้วมันง่วง ในเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมามีสติแล้วท่านอาจจะได้รู้ทำขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้เลยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามาในห้องนี้ในตอนแรกก็เกิดอากาศเย็นเฉีบพอริดของแอต์นักเข้าความอบอ้าวมันเกิดขึ้นจากกลิ่นไอของกันและกันบางทีอาจจะเกิดความร้อน ที่นีบางทีพระที่พูดที่เทศอยู่นี่บางทีตอนแรกๆก็จะรู้สึกว่าเออน่าฟังฟังไปฟังมามันเหน็ดเหนื่อยแล้วอาจจะเกิดลาคาญขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นส่อสแสดงให้เรารู้ธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะ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 ทำสติคิดให้มันจดจ้องลงให้มันชัดๆเวลาทาทาสติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทาสติอยู่กับสิ่งนั้นทาอะไรก็ทาสติกับสิ่งนั้นทาสติรูปเดียวอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันในงานที่เราทาอยู่ โดยเอาเรื่องของชีวิตประจำวันเป็นเครื่องลู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะฉะนั้นจึงใคร่ที่จะขอประมวลหลักการที่จะพึงยึดเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติไว้สามอย่างหนึ่งบริกรรมภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วอะไรก็ได้สองการไชยสติปัญญาพิจารณา โดยวิตกเอาความรู้ที่เราเรียนมาหรือถ้าหากว่าใครรู้เรื่องกายเรื่องใจมากๆเรื่องอภิธรรมมากๆจะวิตกเอาเรื่องอภิธรรมมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่อง ล, ลึกๆของสติก็ได้ถ้าท่านผู้ใดไม่คล่องต่อเรื่องของธรรมะ <c oughs> ก็เอาวิชาการที่เราเรียนมาที่เรารู้มาที่คล่องคล่องแล้วนั่นมาเป็นอารมณ์พิจารณาในเบื้องต้น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 ไม่ต้องไปคิดว่าสีแดงคืออะไรถ้าหากว่าจิตมันคิดไปโดยอัตโนมัติของมันเราทำสติตามรู้ทุกระยะอยา่าเผลในธรรมนองนี้จะเป็นอุบายทำให้จิตของเรารู้เท่าทันอารมณ์สติตัวนี้จะกลายเป็นมหาสติถ้าสติกลายเป็นมหาสติจะสามารถประคับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ง่าย เมื่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วเพิ่มพลังขึ้นด้วยการฝึกฝนอบรมกลายเป็นสตินสีเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินสีแล้วพอกระทบอะไรภาพจิตจะค้นคว้าพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินสีเป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งพวกซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับว่า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 มีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นปิชโชบวงจะมีสัมปชัญญะเป็นสายสัมพันธ์สืบต่อกันตลอดเวลาแม้หลับลงไปแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะสติไม่ขาดตอนสติตัวรู้หรือสติตัวรู้สึกสานึกหรือสติอันเป็นตัวการซึ่งเป็นสติวิทโยเนี่ยมันจะคอยจดจ้องอยู่ที่จิตตลอดเวลา พออะไรเข้ามาพับมันจะฉกออกไปเหมือนกับงูเห่าฉกเหยื่ออย่างนั้นถ้าสิ่งใดที่มันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันจะเย็ดออกมาแล้วก็พิจารณาค้นคว้าจนรู้ความจริงถ้ามันรู้แล้วพอสัมผัสรู้พับมันก็มันนิ่งเวลาเราจะทำงานทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดสติตัวนี้มันจะคล้คลคลคลคายๆกับว่าเป็นตัวรู้ปรากฏอยู่ในถ้ากลางแห่งโซงอบ ส่วนที่ทรงกระแสออกไปทํางานมันก็ทํางานต้องมันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถที่จะเอาพลังแห่งสมาธิไปใช้ในงานทุกประเภทได้การทําสมาธิอันใดทําให้ท่านเบือ่อต่อโลกต่อครอบครัวมันยังไม่ถูกต้องดอกถ้าทําสมาธิมีสติปัญญารู้จะเห็นจริงดีแล้วต้องสามารถเอาพลังของสมาธิไปสนับสนุนงานการที่เราทําอยู่ได้นักศึกษา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 ให้ตั้งปัญหาถามตัวเองก่อนว่าเราผิดอะไรถ้าเรามีสติยับย้้งถามตัวเองสักพักหนึ่งเราจะได้ความรู้ได้ความรู้สึกว่าเราผิดผิดเพราะเราไปเที่ยวดึกเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาครอบครัวและชีวิตประจาวันการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องการความรู้ความเห็นมาคุยอวดกันให้เสียเวลา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 ที่ว่านิดหน่อยก็เพราะว่าท่านผู้ฟังเสียงพูดแล้วก็พอจะสังเกตได้ว่าขณะนี้สุขภาพอยู่ในระดับไหนจึงขอใช้คําว่านิดหน่อยเวลาปฏิบัติอยู่มีความรู้สึกว่ามือที่วางอยู่บนตักนั้นเก่งอยากทราบว่าปฏิบัติถูกหรือไม่การปฏิบัตินั้นถูกต้องแต่ว่าการตั้งใจแรงเกินไป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 เป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอ่า น, นี่มีปัญหาอีกว่า <c oughs> การปฏิบัติที่ใช้คำว่าภาวนาว่าพุทโธจะใช่พร้อมกับการเพ่งกสินเช่นสีเขียวเป็นต้นได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความถนัดหรือความคล่องตัวของท่านผู้ใดการภาวนาเป็นการนึก ถึงคำพูดคำหนึ่งคือพุโทโธแต่การมองสีเขียวเพ่งสีเขียวเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องของสายตาจะใช่พร้อมกันกับพุโทโธพุธโทโธไปด้วยกว็ได้ไม่ขัดข้องแต่ว่าถ้าจะภาวนาพุโทโธแล้วลมหายใจควรจะคู่กับพุโทโธเป็นเหมาะที่สุดเพราะว่าเมื่อ ภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโรพร้อมลมออกโดยปกตินักภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปบังแล้วคำภาวนาจะหายไปเมื่อคำภาวนาหายไปแล้วจิตจะได้ยึดลมหายใจเป็นเครื่องรู้จะเด้ตามลมเข้าไปสู่ความสงบอย่างละเอียดนิ่งจนถึงอัปนาสมาธิจะใช้ลมหายใจพร้อมอนะพร้อมกับนึกกำหนดอนาปานลสติ ลมหายใจกับอนาปานสติลมปราณลมปราณคือลมหายใจอนาปานุสติก็คือลมหายใจเป็นอันเดียวกันข้อที่สองนักปฏิบัติถ้าไปโกรธใครเขาเขา้าและไปตำหนิเขาไปเพ่งโทษเขาไปนึกว่าเขาเลวและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเหล่านี้ จะมีโทษหรือไม่ถ้าการว่าการตําหนิถ้าเป็นการติเพื่อกอดไม่มีโทษถ้าตําหนิด้วยความหวังดีแต่ถ้าไปกล่าวติเตียนยกโทษให้เสียชื่อเสียงเป็นการทำลายแล้วก็มีโทษข้อที่สามคนแก่เวลาปฏิบัติไม่สามารถนั่งคู่บรนลังได้ น, น, นานต้องเปลี่ยนอิิญาบทบ่อยๆ สมาธิเป็นกิริยาของใจเราจะกำหนดจิตในท่าไหนได้ถ้านั่งนานมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียอย่าไปทรมานร่างกาย <c oughs> เราจะทำสมาธิในท่ายืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรฝืนถ้าฝืนมากนักให้โทษถ้ารู้ปวดเมื่อยก็เปลี่ยนซะไม่ผิด ปัญหาต่อไปเมื่อรับศีลจากพระไปแล้วไปกระทำผิดศีลเข้ามีทั้งเจตนาบ้างและไม่เจตนาบ้างอย่างนี้จะเป็นบาปกรรมมากกว่าการที่ไม่ได้มารับศีลจากพระไปแล้วกระทำผิดศีลหรือไม่การรับศีลไปแล้วทำทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าไม่ได้เจตนาเป็นแต่เพียง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 การสมาทานศีลนี่ถึงแม้ว่าจะขาดตกบกครองบ้างก็ยังดีอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยธรรมดาของปุถุชนก็ยะมีการบกครองบ้างในเมื่อเราฝึกไปจนคล่องตัวแล้วมันก็สมบูรณ์ไปเองดีกว่าไม่ทำเลยข้อที่สองผู้ที่สมาทานศีลแปดแล้วไปตอกไข่าทากับข้าวจะผิดศีลหรือไม่เอออันนี้เําว่าไข่ สมัยนี้ไข่ที่พักเป็นตัวก็มีไม่เป็นตัวก็มีแต่ไทยที่เขาทําลายโดยหลักวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วซึ่งมันจะไม่ฟักออกมาเป็นตัวก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าไข่นั้นมันยังจะเป็นตัวอยู่ไปต่อยเข้ามันก็ผิดผิดศีลข้อสามคำว่าสีลรัลตรพัะปรมานั้นหมายความว่าอย่างไรกะดูนาอธิบาย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 ถือว่าสิ่งนั้นดีวิเศษเช่นอย่างผู้ที่ปฏิบัติข้อวัดบางอย่างเช่นทุดงคขวัตก็ไปเคร่งตั้งแต่ทุดงคขวัตเคร่งจนเป็นอุปาทานสมาทานศีลก็จนเป็นอุปาทานทำบุญให้ทานก็จนเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งนั้นทําความเข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> สิ่งใดที่เราทําด้วยอุปาทาน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 เออทยจะว่ากันโดยบุกลาเทศฐานแล้วก็เทวบุตรมานก็หมายถึงเทวดาที่คอยมาหลอกหลอนเอาในปัจจุบันนี้แหละเทวบุตรมานเนี่ยมีเยอะแช่นอย่างนักภาวนาไปแล้วพอจิตจะเข้าที่รวมเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วประเดี๋ยวก็มีพระบางละมีผู้ยิ่งใหญ่บ้างละมีเจ้านโน่นเจ้านี้บางละเป็นวิญญาณมาบอกการทําอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกจะทําเลยอะไรทํำนองนี้ อันนี้แหละคือเทวบุตรมานทีนี้ถ้าจะว่าโดยกิเลสที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเช่นเราตั้งใจว่าจะทำสมาธิภาวนาในวันนี้แหละอา้าพอทำไปทำไปพอจะได้สบายแล้วความคิดอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาว่าหยุดดีกว่าไม่ต้องทำอะไรทำนองนี้หมายถึงความคิดที่คอยกระตุ้นเตือนให้เราหยุดพักการกระทานั้นในลักษณะแห่งความขี้เกียจท่อแท้ เป็นเรื่องของเทวบุตรมันเครื่องรางของขลังในวัตถุมงคลการปรมน้ํามนต์การเป่าหัวการเจิมหรือการสักยันติมงคลในศักดิ์สิทธดทั้งหลายมีความจริงหรือไม่เพราะเหตุใด เ, เรื่องที่คําถามที่ถามมานี่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นี่มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกันความจริงของไสยศาสตร์ เขาก็มีอยู่ตามขั้นตอนของเขาแต่มันเป็นความจริงไม่ไม่ไม่ยึดขั้นอมตะความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นมงคลหรือน้ำมนหรือของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะขลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้ชั่วงระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมั่นถ้าผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่นสิ่งมงคลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรและ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 แม้แต่การปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าปฏิบัติ ด, ด้วยอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นผู้ดีวิเศษอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องของความงมงายหมดทีนี้เรื่องวัตถุมงคลต่างๆการพรมน้ำมนต์การเป่าหัวการอะไรเหล่านี้มันเป็นการให้กำลังใจกันตามความนิยมของสังคม แต่ถ้าถึงขั้นปรมัตน์แล้วไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะนี่เราต้องเข้าใจเป็นสองขั้นตอนขั้นโลกียธรรมขั้นโลกุตตะลธรรมขั้นโลกียธรรมนี่ย่อมมีอัตตาตัวตนมีสมมติบัญญัติมีผู้ชายมีผู้หญิงมีเรามีเขามีทรัพย์สมบัติมีผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนี้เรื่องของโลกีเราปฏิเสธให้ได้แต่ว่าถ้าจิตของเราขึ้นไปอยู่ขั้นโลกุตตะละ ไปถึงในระดับเพียงแค่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไเฉยๆเนี่ยอย่างในท้ายธรรมจั ก, กปรปวัตตนสูตรที่ท่นานัญญากรทัญญาลู่ธรรมเห็นธรรมถ้าภูมิจิตไปสัมผัสถึงขั้นนี้แล้วคําว่าอาตาตัวตนผู้ชายผู้หญิงไม่มีไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สัจธรรมความจริงปรากฏอยู่เท่านั้น ในขณะที่ท่านอัญญาโกลทัญญาโลโลโลโลรูล้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาในขณะนั้นจิตอยู่ในสมาธิอย่างแน่วแน่ในขณะนั้นท่านอัญญาโกลทัญญาไม่ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกมีความรู้สึกเฉพาะภายในจิตอย่างเดียวและสิ่งที่ท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานั้นเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญัติ มีแต่สัจธรรมความจริงแต่เมื่อท่านอนยาโคนัญญะได้บวชแล้วก็ปรากฏว่าท่านอนยากคนัญญะต้องถือบาทไปบินฑบาตกับญาติโยมนี่สอแสดงให้เห็นว่าในขณะที่จิตอยู่ในขั้นภูมิของโลกุตตะละฉันไม่สัมผัสกับใครเลยแต่เมื่อจะจะทำธุรกิจกับชาวโลกนี่เอาเรื่องของชาวโลกเข้านทีเพราะอะไร เพราะเบนจะขันของท่านก็เป็นของโลกยังจะต้องอาศัยปัจจัยสี่จากญาติจากโยมเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านหวนกลับมาสัมผัสกับโลกแล้วจึงมีสมมติบัญญัติยอมรับว่าชันอัญญาโกนธัญญะนะชั้นหนึ่งในจํานวนพิสุเบญจั๊คีนะชั้นเป็นลูกเศรษ์ของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือสมมติบัญญัติที่ท่านจะยอมรับ เราะฉะนั้นการรู้ธรรมนี่ต้องรู้สองฝั่งฝั่งโลกีกับฝั่งโลกุตตะละทำความเข้าใจให้ดีสัมำเวสีหมายถึงผู้สแสวงหาที่เกิดสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปมาไปเข้าฝันคนโน้นฝันคนนี้นั่นผู้นั้นไปหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีที่นี้ภูมิหนึ่งในบรรดาสามสิบเอ็ดภูมิสำเวสีนี่ก็เป็นภูมิอันหนึ่งในบรรดาที่หลายหลายภูมิซึ่งหลายกว่าสาเอ็ดภูมิ อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภพภูมิของวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะอ่าอันนี้ขอหยุดหนึ่งสิบนาทีอ่าไม่ขอหยุดจะขอตอบปัญหาอันนี้เสร็จแล้วก็จะขอยุติเลยทีเดียวเรารู้สึกว่าเพียแล้วอ่าที่ว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นความรู้เรื่องอ่ามหาสติปัฏฐานสี่เกี่ยวกับการ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 ทีนี้ผลลัพธ์ของการพิจารณาพิจารณากายเนี่ยท่านสอนให้พิจารณากายให้เห็นสักแต่ว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อจิตเห็นจริงลงไปและยอมรับสภาพความจริงว่ากายสักแต่ว่ากายเรียกว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา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 ที่มีปีติและมีความสุขตามที่ท่านว่าเนี้ยยังไม่มั่นคงเพียงพอให้พยายามฝึกให้มีปีติมีความสุขถ้ามันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าได้ฌานสมาบัติอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกสัมผัสเพียงนิดหน่อยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอะไรทํานองนี้ดําเนินให้จิตมันมีความสงบมีปีติมีความสุขบ่อยๆเข้ามันจะได้เกิด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 จะลงสู่ความสงบแล้วมีนิมิตเสียงดังมากเช่นดังปริ้งเหมือนฟ้าผ่าหรือดังก้องมาแต่ก็มีสติรู้ไม่ตกใจถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นขอให้ถือว่าสิ่งนั้นคือเครื่องรู้ของจิตเครื่องเละลึกของสติจะเป็นสีแสงเสียงหรือรูปนิมิตอะไรต่างๆก็ตามให้ถือเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องเละลึกของสติประคองจิตทำสติไว้ให้ดี แล้วผลดีจะเกิดขึ้นอย่าไปตกใจหรืออย่าไปแปลกใจกับสิ่งเหล่านั้นข้อสี่เวลานั่งสมาธิก็ใช้คำบริกรรมคือสมถะตลอดแต่เวลาเดินจงกรมใช้พิจารณากายที่เดินกาหนดสติกับการเดินทั้งสองควบคู่กันไปจะสมควรหรือไม่อันนี้สมควรแล้วแต่อุบายของท่านผู้ใดาบางทีถ้าหากว่าจิตมันต้องการบริกรรมภาวนาก็บริกรรม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 ข้อห้าเมื่อทำสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยสงบมักจะน้อยใจคิดว่าตนเองไม่มีวาสนาบารมีอย่าไปคิดอย่างนั้นสิในเมื่อจิตไม่สงบก็ทำเรื่อยไปทำสติโลและพิจารณาว่ามันไม่สงบเพราะอะไรค่อยแก้ไขแนละภาคเพียนพยายามทำให้มากๆเข้าเดี๋ยวมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเองนกโบวชหญิงแม่ทีมีสิบลิบาทเหมือนพระได้หรือไม่ อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจถ้าใครอยากจะบินบาทก็บินได้ที่วัดป่าสละวันก็มีชีพระเขาผู้ชายผู้หนึ่งบินบาทเดินตามหลังพระเขาก็ใส่บาทจนเต็มเหมือนกันอ่าข้อเจ็การสวดการสวดเพื่อต่ออายุหรือทําพิธีต่ออายุนั้นทําแล้วสามารถจะต่ออายุได้จริงหรือไม่อันนี้ทําแล้วก็สามารถต่ออายุได้จริงบางทีคนเป็นลมมาเกิด จะช็อกตายในขณะนั้นมีใครสักคนหนึ่งไปปลอบใจแล้วใจดีขึ้นมาก็ต่ออายุไปได้เป็นวิอุบายวิธีให้กําลังใจกันแต่ว่าการต่ออายุเคยมีตัวอย่างนี่อายุวัฒนกุ ม, มารที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เราเอาบทสวดมาสวดในสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะเนี่ยเกิดจากเรื่องอายุวัฒนกุ ม, มาร ทีนี้มีใครพระพุทธเจ้าพิจารณารู้ว่าอายุวัฒนะคุ ม, มานจะสิ้นชีวิตโดยยักษ์จะมาจับไปกินภายในเจ็ดวันพระองค์ทรงเมตตาพระเมตตาก็พาพระภิกษุงสงฆ์ไปสวดมนต์ป้องกันยักษ์เสร็จแล้วยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะมาจับคุ ม, มานน้อยไปกินเป็นอาหารเมื่อสิ้นกําหนดแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาจับคุ ม, มารไปกินเป็นอาหารก็เป็นนว่ากุ ม, มาร คนจากความตายจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าอายุวัฒนะคุ ม, มารอันนี้เป็นวิธีการต่ออายุเราก็ได้ตัวอย่างมาจากนั่นแหละก็เลยมาถือกันผู้เฒ่าผู้แกเจ็บป่วยก็ทำพิธีต่ออายุเพื่อให้อายุมั่นขันยืนเป็นการปลอบใจกับส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นเอาไปพิจารณาดูเอาเองอรตมาก็ไม่กล้ายืนยัน แต่ว่าสำเร็จในทางการให้กําลังใจกันนี่สำเร็จแน่คือทำให้ใจดีขึ้นกอสมควรเก่กละเวลาแล้ว